วันนี้เรามาเตรียมพร้อมที่จ ะ, ะเผชิญชีวิตธรรมูุฟังในช่วงของจิตตะวิเวในรายการธรรมรับรุนจัดโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งมีข้าพเจ้าพระมหาใบาบุญอาภีปุนโนเป็นผู้ดำเนินรายการจะมีพระรยน์ตะไรธรรมฟังที่ว่าถ้าเรานั่งทำสมาธิหนึ่งชั่วโมงได้สงบเย็นดีมากเลย แต่ว่าในอีก23สามชั่วโมงที่เหลือเนี่ยหลุดลุยววาขาดรุ่งริ่งเปลอะเปลิปลนพอใจไม่พอใจไปตามภาษามันเป็นที่ตั้งแห่งความพอใจและไม่พอใจนั้นสู้ว่าเราฝึกปฏิบัติ ด, ด้วยกันเป็นพื้นฐานที่จะสนับสนุนให้ในอีก23สามชั่วโมงนั้นมันทำดีได้บทนี้เลยก็บ่ฝัง วันนี้เราจะมาฝึกทำการพิจารณาพิจารณาตอนนี้เพื่อเตรียมตัวที่เราจะพบปะเจอเจอผู้คนใช้สิ่งของเดินทางนั่นนี่ให้จิตใจของเรานั้นพร้อมในบทที่เรียกว่าปฏติสังคายโยนิโสจีวรังบินดาป่าตังเซนาสนังคิลานปัจยะเพสัจชะ บริการรังปฏิเซวามิคือเราย่อมพิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงนุ่งหม่มแล้วจึงรับประทานแล้วจึงใช้สอยเสนาสนะแล้วจึงบริโภคเพศัชบริการต่างๆนั่นคือปัจจัยสี่นั่นเองเสื้อผ้าอาหารที่อยู่อาศัยและยาแก้ไข ปัจจัยทั้งสี่อย่างที่จะเป็นสิ่งจาเป็นในการดารงชีวิตวิธีการพิจารณาเรามาทาการไตรตรองใครกรวนตอนนี้เพื่อเวลาในระหว่างวันที่เราจะต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้แน่นอนเพราะเป็นปัจจัยสี่สำคัญในการดาเนินชีวิตจิตใจเราจึงจะไม่หลุดลุยวัววะ เหลือเปลนไปตามเสื้อผ้าอาหารที่อยู่การเดินทางที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจนั้นเรามาฝึกปฏิบัติพิจนารณาเ ก, กรี้ยกุวนไปปรำๆกันวันนี้เริ่มตนให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายมีสติสัมปชัญญะสุกก่อนกำหนดสติสัมปชัญญะเอาไว้ให้ดีโดยใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือ หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกคราวนี้เรามาตามลมไปเลยให้รู้สึกถึงลมที่อยู่ภายนอกตัวของเราจริงๆมันก็คืออากาศที่เคลื่อนไบมาอากาศที่เคลื่อนที่ก็เป็นลมเคลื่อนเข้าไปในร่างกายของเราผ่านทางจมูกก็เรียกว่าเป็นลมหายใจเข้าให้รู้สึกถึงลมหายใจเข้าที่ผ่านเข้าทาง b รงจมู u ไปถึงด้านในโพรงจมูกไปถึงคอถึงอกถึงท้องให้รู้สึกถึงลมหายใจที่ผ่านออกจากท้องมาที่อกมาที่คอมาที่ด้านในโพรงจมูกจนถึงออกไปกาะนอกลมที่เคลื่อนออกจากร่างกายของเราผ่านทางโพรงจมูก <c oughs> ก็เรียกว่าลมหายใจออกหายใจเข้าหายใจออก หายใจออกหายใจเข้าทำอย่างนี้สักสองสามครั้งรู้สึกลมไปทั่วทั้งตัวจากข้างนอกเข้าสู่ข้างในผ่านทางปอดไปยังร่างกายส่วนต่างๆรู้สึกกระแสลมที่จากร่างกายส่วนต่างๆผ่านเข้าสู่ปอดออกไปจนถึงข้างนอก คือรู้ผู้สัมผัสร่างกายทั้งหมดทั้งปวงลมหายใจก็คือกายไงกายก็คือลมหายใจเรามาตั้งสติอวัอยู่ในกายโดยใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือเพื่อที่จะให้เห็นจิตของเราเห็นกายนะเพื่อให้เข้าถึงจิตไม่ใช่ว่าจะหยุดอยู่แค่ที่กายแต่กายและจิตมันมัดรวมกันอยู่ตอนนี้ มัดรวมกันด้วยอำนาจของกรรมตอนนี้เรามากำหนดสติสัมปชัญญะขึ้นตั้งสติเอาไวา้ทำไมเพื่อที่จะให้เกิดเป็นสมาธิสติมีกำลังแล้วสมาธิจะเกิดขึ้นเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วจะเป็นฐานที่จะทำให้เกิดสิ่งต่างๆได้มากมาย เรากำานดสติขึ้นโดยใช้ลมห้ยใจทั้มฟังวันนี้เห็นกายทั่วไปหมดโดยผ่านทางลมเขาก็รู้ออกก็รู้ทีนี้พอเรารู้ทั่วสําพลางกายแล้วให้มาอยู่ณนะที่จุดเดียวจุดไหนก็ได้ที่ตัมมฟังพอจะตั้งจิตไว้อยู่อย่างเสมอเสมออยู่อย่างนิ่งอยู่อย่าง ดีอยู่ยังเหมาะสมปกติแลพระพุรเจ้าก็จะใช้ศัพทิริวาปริมุขขังคือทางเข้าทางออกของลมหายใจนั่นก็คือด้านในปรงชุกเรามาตั้งจิตไปตรงนี้ไม่ต้องตามลมแล้วลราวนี้ไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออก พอรู้สึกถึงลมจากข้างนอกเข้าสู่ข้างในไปทั่วตัวออกกลับไปสู่ข้างนอกแล้วนี่คือกายของเราให้จิตอยู่ในกายของเราให้จิตนั้นไม่ออกนอกกรอบขอบของผิวหนังของร่างกายของเราพอเราตั้งสติไว้หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้อยู่ในที่ตำแหน่งเดียวความระลึกถึงลมหายใจได้นั้น คือสติสติไม่ใช่ลมสติก็ไม่ใช่กายสติก็ไม่ใช่จิตด้วยกายก็คือกายลมก็คือลมจิตก็คือจิตสติก็คือสติแต่ละอย่างมันก็เป็นแต่ละอย่างกันไปไม่ใช่เดียวกันกายเป็นสิ่งที่เป็นรูปจับต้องได้เป็นของแข็งของเหลว g า s เป็นธาตุสีดินน้ำไฟลมกายลมเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของกายนอกจาก กายจะมีลมแล้วก็ยังมีดินด้วยมีน้ำด้วยกายอยู่ตรงไหนติดมันก็ต้องมามัดรวมกันอาศัยกายนี้กาะอยู่แบบนี้ลหละเพราะมันเป็นภบแบบนี้คือความเป็นมนุษย์อย่างนี้มันมัดรวมกันอยู่กันเชื่อมกันด้วยวิญญาณวิญญาณก็เชื่อมกันไประหว่างกายและใจทาให้เกิดการรับรู้สิ่งต่างๆทางภายนอกคือ เสียงคือภาพส่วนที่เป็นนามก็เป็นความคิดนึกทางภายในก็คือตาคือหูคือช่องทางใจกายก็ส่วนหนึ่งจิตก็ส่วนหนึ่งสติก็อย่างหนึ่งนะทุกบุฟังสติคือความรู้สึกได้สติไม่ใช่ลมสติไม่ใช่จิตสติไม่ใช่กายแต่สติเกิดขึ้นจากการที่จิต ของเรามารับรู้ถึงลมจิตมารึกนึกถึงลมหายใจได้เมื่อไรความระลึกได้นั้นคือสติสติมันก็จึงอยู่ด้วยกันกับลมลมอยู่ตรงไหนตรงนั้นมันก็คือกายสติมันก็จึงอยู่ด้วยกันกับจิตแต่ทั้งสมอย่างเป็นคนละอย่างกันทีนี้พอเราตั้งสติอาไว้มันจะเริ่มเห็นชัดเจน มีความยากยากกันได้มากขึ้นสติทรนนินเงิลบริวารพอเราตั้งสติไว้อยู่กับลมแน่นอนว่าเราจะมีความคิดนึกอื่นๆต่าง ๆ, างๆ่านมาแน่แน่นอนว่าเราจะได้ยินเสียงแน่มันมีเสียงอย่างเสียงของพระมหาไปบุญนี้เป็นต้นแน่นอนว่าเราก็จะถ้าลืมตาไปเห็นภาพด้วยมีคนทำกับข้าวมีรถขยะผ่านมา มีกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นเราก็จะได้กลิ่นด้วยการรับรู้นั้นก็คือวิญญาณวิญญาณก็ส่วนหนึง่งจิตที่ไปทําหน้าที่การรับรู้ก็ส่วนหนึง่งจิตที่มาระลึกถึงลมหายใจความระลึกใดนหนั้นคือสติกว่ายางหนึ่งสติที่อยู่กับลมลมเป็นส่วนหนึ่งของกายก็คนละอย่างกันอีกอย่ามาดูงหวังมันเริ่มแยกแยะ ก, กันได้เห็นภาพชัดเจนจากการที่เตั้งสติขึ้น อเราตั้งสติขึ้นความที่จิตของเรามันจะเผลอเปลินไปตามความคิดบ้างไปตามเสียงบ้างไปตามกลิ่นตามภาพนั้นจะเบาบางลงเพราะสติตรงข้ามกับความเปลินความเปลินตรงข้ามกับสติถ้าเปลินก็เผลอสติถ้าไม่เปลิน มีสติถ้าลืมลืมหลงสติก็คือเปลิอถ้าไม่ลืมก็คือมีสติสติมีกําลังมากขึ้นเท่าไหร่เท่าไหร่เหมือนน้ําที่มันดันกันมาดันกันมาดูฝั่งจากโน่นภาคเหนือฝนตกเป็นลําลางไหลามารวมกันเป็นบึงน้อยบึงใหญ่ไหลมารวมกันเป็นแม่น้ําน้อยหลายสาย ไหลมารวมกันเป็นแม่น้ำใหญ่ดันกันมาเรื่อยดันกันมาเรื่อยมันก็ทำมาหาสมุทรให้เต็มขึ้นมาได้สเตก็เรามีกำลังขึ้นมีกำลังขึ้นจิตนั้นจะมีความระ ง, งับลงทำไมเพราะว่าแทนที่มันจะเผลอเปลินไปตามเสียงตามภาพใช่ไหมปรงแต่งไปตามบ้างคิดนึกไปตามบ้างฟุ้งซ่านบ้างพอใจไม่พอใจบ้างตามความคิดนึกต่างๆเนี่ย ความเพลมันลดลงเวลาเราไม่ตรึกตรึกน้องจิตไปทางไหนสิ่งนั้นมันก็อ่อนกําลังแต่แนนอนนั้นวางนะว่าเวลาที่เราตรึกตรึกน้องจิตไปทางไหนสิ่งนั้นก็มีพลังใช่ไหมละ่ะในที่นี้เราไม่เพลินในที่นี้เรามีสติจิตเราจ้อยู่กล็ลมสติก็มีกําลัง จิตเราไม่ไปตามเสียงตามภาพตามความคิดเสียงภาพความคิดกลิน่นก็อ่อนกำลังไงอ่อนกำลังแล้วยังไงไม่เปลืองไงจิตก็ระงับลงระงับลงจะมีความระงับทางกายและมีความระงับทางจิตความระงับทางกายและความระงับทางจิตนั้นก็จะทำให้กายของเรานั้นแตนที่ว่าจะขยับ จืดเคลื่อนไหวอย่างมากกว่าจะลดลงสะนั่งนิ่งๆได้มากขึ้นจะขยับค่อยยืดน้อยลงทางจิตนั้นที่ว่าจะคิดนึกปรุงแต่งสิ่งนั้นสิ่งนี้พอใจไม่พอใจก็เบาบางลงระงับลงก็จะสงบลงได้เป็นความสงบระงับทั้งทางกายเป็นความสงบระงับทั้งทางจิต เมื่อมีความสงบระงับแล้วจิตก็จะเป็นอารมณ์เดียวความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวนี้นั้นนั่นแหละตูมวังเราเรียกว่าเป็นสมาธิสติจึงทำให้เกิดเป็นสมาธิได้ด้วยอาการอย่างนี้จิตที่มีสติรักษาจึงจะเป็นจิตที่เป็นอารมณ์เดียวได้ด้วยอาการอย่างนี้ไม่ฟุ้งขึ้น มีความระงับลงเย็นลงเบาบางลงลดการปรุงแต่งลงพอเราตั้งสติให้เกิดจิตเป็นสมาธิแล้วน้อมจิตไปสม้งมั่นั่งรานี้เราน้อมจิตของเราไปในการปฏิสังขาโยนิโสคือพิจารณาโดยแยกกายพิจารณาโดยแยกกาย แล้วจึงค่อยบริปโภคพิจารณาโดยแยบกายฝึกไว้ก่อนตอนนี้เรายังไม่ได้กินข้าวใช่ไหมเรายังไม่ได้กินยานี่แต่เตรียมการไว้ก่อนวิธีการพิจารณาดูฟังเราจะไล่เรียงกันไปตามปัจจัยสี่ทั้งหมดเรื่องหนุนโฮมอาหารที่อยู่อาศัยและยกยาแค่ไข่ ให้พิจารณาดังนี้นี่คือเพื่อที่จะนําไปใช้ในชีวิตประจําวันนะดูฝังนะก่อนที่เราจะเข้าเสนาสนะจะขึ้นรถบางคนโดยสารโดยรถไฟฟ้ารถใต้ดินรถมอเตอร์ไซค์รถเกง๋งรถโดยสารรถไฟจะเข้าไปนี่ให้พิจารณาอยนี้จะใส่เสื้อผ้านี่อาบน้ําเสร็จออกมาแล้วจะเอาชุดไหนใส่ให้พิจารณาอย่างนี้ นี่คือใช้ในชีวิตประจำวันเลยนะโดยฝึกซ้อมเตรียมการเอาไว้ก่อนก่อนที่จะเอาอาหารเข้าปากคิดว่าวันนี้จะไปกินอะไรซื้ออะไรมากินดีให้พิจารณาอย่างนี้ฝึกซ้อมเตรียมไว้ก่อนเริ่มแรกตนบอกงี้บอกว่าการพิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงค่อยรู้จักการนุ่งห่มนี่นุ่งห่มไปเพื่ออะไร นุงห่มไปเพื่อบำบัดความหนาวบำบัดความร้อนบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเลือบยุงลมแดดและสัตว์เลือล้อยคลานทั้งหลายและเพียงเพื่อปกปิดอวัยวะอันให้เกิดความลายพิจารณาอย่างนี้แล้วจึงบริโภคหนึ่งคือสวมใส่เสื้อผ้าสวมใส่เสื้อผ้านี่ ไม่ใช่เพื่อที่ว่าเออชุดนี้มันจะสวยไหมมันจะยั่วยวนไหมมันจะหล่อไหมมันจะสวยไหมอย่าไปคิดอย่างนั้นเพราะนั่นคือจะไปตามราคาตามความพอใจจะกระตุ้นจิตใจของคนที่ยังมีราคะไม่สิ้นให้มันมีเพิ่มขึ้นการแต่งตัวแบบไหนที่จะกระตุ้นจิตใจของคนที่โทสะยังไม่สิ้น ให้มันมีโทสะมากขึ้นไม่ถูกแล้วเพราะฉะนั้นการที่ถ้าเราแต่งตัวไม่รู้จักกาลเทศะเช่นว่าถ้าคุณจะไปงานศพอย่างงี้ล้วก็ใส่เสื้อแบบฮาวายลายสีรุ้งไปอย่างนี้นะเขาคนที่เขายังมีโทสะไม่สิ้นเว่าจะโกรธก็ได้เราก็ไม่ควรแต่งตัวแบบนั้นใช่ไหมหรือวันเนี้ยคุณต้องไปงานกาล่าดินเนอร์แม้มันต้องแต่งตัวให้มันเลิศหรูอลังการหน่อย จะใส่เสื้อยืดกางเกงขาสั้นผมกระเสื้อกระเซิงไปอืมมันก็ไม่เหมาะนะมันก็จะถูกเ้าด่าเขาตำหนิได้กระตุ้นจิตใจของคนที่โทสะยังไม่สิ้นให้มันโกรธขึ้นมาเออเราก็แต่งตัวให้มันเหมาะสมหรือว่าถ้าจะให้แบบว่าวบวบแบมบแบบนี่มันต้องสวยอย่างนี้มันต้องเปิดอย่างนี้มันต้องเว่าวตรงนี้ก็กระตุ้นจิตใจของคนที่ยังมี ราคาไม่สิ้นให้มีราคามากยิ่งขึ้นนี่ไม่ดีอย่าไปทำอย่างนั้นแต่ให้มีความเหมาะสมโดยพิจารณาพิจารณาเพื่อปกปิดอวัยวะอันให้เกิดความละอายก็คือของลับนั่นเองการนุ่งห่มนั้นต้องให้มีความละอายแต่สําหรับเป็นประสงค์จะกอบบริมูบ้านนี่ก็ต้องปิดมนทนสามอย่าง คอหลุมคอสะดือแล้วก็เขา่าจึงเห็นว่าประสงค์นี่จะห่มกลุ่มตั้งแต่คอลงไปจนถึงหน้าแข้งเลยเห็นแค่มือแล้วก็หน้าแล้วก็ขาเออนี่คือลักษณะที่ปกปิดอวัยวะอันให้เกคิความละอายหรือประสงค์นั่นก็เพื่อที่จะให้บำบัดความร้อนความหนาว กันยุงกันลมกันแดดกันสัตว์อะไรต่างๆที่จะมาทำร้ายได้ถ้าหนาวก็หนุงห่มให้มันกันหนาวได้ถ้าร้อนก็หนุ่งห่มในการที่จะให้ระบายความร้อนได้จุดประสงค์มีแค่นี้เลยทั้งฟังเวลาที่จิตเรามันจะเพลินไปตามเสื้อผ้านี่นะก็คือไปตามสีไปตามเนื้อ เชนเสื้อผ้านี่สีนี้ฉันชอบเลยนะวันนี้วันจันท์วันนี้วันอังคารก็ต้องใส่สีเหลืองสีชมพูเออแล้วเกิดความกำหนัดอย่างนี้นะอันนี้คือไปตามเทรนละอันนี้คือไปตามความพอใจไม่พอใจล่ะอันนี้คือเพลินไปละแต่จิตเราต้องตั้งขึ้นใหม่ทางนี้เท่านั้นก็ไม่ใช่หมายความว่ า, าเออฉันก็จะใส่แต่สีขาวสีดําสีอะไรเรียบเรียบมันก็ไม่ต้องเป็นอย่างนั้นเสมอไป เราบางทีเราก็ต้องแต่งตัวให้มันเหมาะกับงานใช่ไหมละ่ะก็ต้องสวยบ้างก็ต้องดูดีบ้างในบางงานก็ต้องให้มีความเหมาะสมไม่ใช่ว่าจะแต่งตัวสวยงามไม่ได้เลยแต่ให้เหมาะสมโดยขั้นเบื้องต้นตีประปรุจจาวให้แนวไว้สําหรับการพิจารณาคือไม่ได้ดูที่สีไม่ได้ดูที่รูปแบบนั่นเป็นรอง หลักๆนั้นคือเพื่อบำบัดความร้อนความหนาวสัมผัสต่างๆที่จะมากระทบกระเทือนได้ปกปิดอวัยวะให้เกิดความละอายจากนั้นจึงมาค่อยพิจารณาว่ารูปแบบไหนทิงที่จะเหมาะสมในสถานที่ที่เราไปพิจรารณาโดยแยกกายแบบนี้ตั้ังการใส่เสื้อผ้าของเรานี่นะจะเป็นการภาวนาไปในตัวเลยนะ จะเป็นการภาวนาไปในตัวพระกิเลสอาสวะบางเหล่าที่จะกําจัดได้ด้วยการบริโภคนี่คือตรงนี้เราใส่เสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มทั้งชั้นในชั้นนอกทําผมดูแลหน้าตานี่เป็นการกําจัดกิเลสออกจากจิตใจของเราได้ด้วยเทคนิคการที่เราบริโภคโดยแยบกาย เรื่องเกี่ยวกับเสื้อผ้ากัเรื่องนุ่หผมได้ไงดูฟังอย่าไปตามความเพลินอย่าไปตามความพอใจไม่พอใจดูเอาความเหมาะสมเรื่องบำบัดความร้อนความหนาวเป็นหลักเรื่องป้องกันอวัยวะต่างๆปกปิดสิ่งที่ชคกรนปกปิดไว้ให้เหมาะสมแต่งตัวตามกาลเทศะทุกย่างก้าวที่เราเดินไป นุ่งห่มใส่เสื้อผ้าแบบนี้เป็นการภาวนาตลอดเป็นการภาวนาตลอดเป็นของดีนะโุกฝังเพราะามันเป็นช่วงเวลาที่มากกว่าเรานั่งสมาธิเฉยๆเราใส่เสื้อผ้าเดินทางไปนั่นนี่ใส่ชุดนี้เปลี่ยนชุดนั้นเออทุกครั้งทุกครั้งเนี่ยเป็นการภาวนาพัฒนาจิตเราให้สูงขึ้นได้ตลอดบริโภคแล้วพัฒนาจิตใจนี่คือประการที่หนึ่ง ปติสังขาโยนิโสจีวรังปฏิเสวามิต่อมาเรามาทำการพิจารณาอาหารพิจารณาอาหารที่เราจะรับประทานนี่คือปัจจัยที่สองคนเราจะเดินทางไปนั่นนี่มันก็ต้องใส่เสื้อผ้าใชวไหละหรือแม้อยู่บ้านก็ต้องใส่เสื้อผ้าถั่มามันก็ต้องกินข้าวนะ กินมื้ออาหารบางคนกินสองมื้อบางคนกินสามมื้อบางคนกินมากกว่านั้นเวลาที่เราจะกินคิดว่าจะไปกินอะไรหรือกำลังกินอยู่หรือกินเสร็จแล้วนี่วิธีการที่เราจะให้การรับประทานอาหารของเรานั้นเป็นการภาวนาไปในตัวไม่ใช่กินเพื่อเพิ่มกิเลสแต่กินเพื่อทำกิเลสนั้นให้ลดลงกินได้นั่นฝั่ง บริโภคแบบที่จะพูดต่อไปนี้จะเป็นการภาวนาไปในขณะที่เรากินข้าวด้วยรับประทานอาหารด้วยเอาสิ่งที่ไม่ใช่ก่อนการรับประทานอาหารนั้นท่านบอกว่าไม่ใช่เพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อมัวเมาไม่ใช่เพื่อเพลิดเพลินสนุกสนานไม่ใช่เพื่อให้เกิดกำลังพลังทางกายไม่ใช่เป็นไปเพื่อประดับ ไม่ใช่เป็นไปเพื่อตกแต่งนี่นะพวกนี้หมายความว่าอย่างไรถ้ากินเพื่อสถานะถือมาโอ้ฉันมั่งมีร่ำรวยจึงจะต้องกินอาหารประเภทนี้ไม่ใช่กินอาหารประเภทนั้นนี่อันนี้ไม่ถูกแล้วกินเพื่อตกแต่งกินเพื่อประดับประดับตกแต่งให้มันดูดีดูหรู หรือกินเพื่อที่ว่าเอ้ยี่คอลลาเจนน ะ, ะกินแล้วเนี่ยจะสวยตรงนี้จะเต่งตึงตรงนั้นไม่ใช่อย่าไปกินเพื่อที่จะให้จิตใจ ม, มันมัวเมาเปไปในสิ่งที่จะมีกำลังมีพลังไม่มีวันนะเป็นต้นเพราะนั่นจะทำให้จิตใจเราเปลือเปลิปลนไปอย่าไปคิดอย่างนั้นหรือจะคิดว่าไอ้วันนี้อะไรอร่อยนี่ฉันจะไปกินดูให้มันอรอร่อยให้มันแบบว่า ต้องกินก่อนตายอย่างนี้เออที่นี่เขารีวิวมาแล้วได้มิชลินสตาร์ห้าดาวที่อีกสองดาวมาจากไห น, นไม่รู้แล้วขอให้มาก็ว่ากันไปอย่าเป็นอย่างนั้นอย่าเป็นอย่างนั้นอันนี้คือไม่ใช่แต่กินแบบนี้นกินเลทเพิ่มแล้วกินเพื่ออร่อยกินเพื่อสถานะทางสังคมกินเพื่อประดับตกแต่ง กินเพื่อให้เกิดความมัวเมาอันใดหนึ่งที่เป็นไปในต่างกายกิเลสเราจะเพิ่มเพราะมันจะเปิดมันจะเปอและลักษณะการรับประทานที่ถูกต้องนั้นที่เป็นการเบาวนาไปในตัวคือให้เพียงแค่ตั้งอยู่ได้แห่งอัตภาพนี้ถ้ากายนี้มันต้องการของร้อนเอาก็กินของร้อนก็แล้วกัน ากายนี่มันต้องการของเย็นของหวานของเปรี้ยวของเค็มอะไรต่างๆที่มันจะเหมาะสมให้กายตั้งอยู่ได้เนี่ยก็รับประทานสิ่งนั้นอย่างเรื่องหวานๆเนี่ยนะทุกังนี่เป็นปัญหา ร, ระดับโลกเลยนะทุกวันนี้มันมีอาหารที่เป็นส่วนผสมของน้ําตาลเนี่ยมากอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างวนนีามันก็จึงเป็นโรคเบาหวานกันเยอะคือมันหนักหวาน นักหวานจนกระทั่งอินซูลินมันทำงานได้ไม่ดีเขาก็เลยเรียกว่าเป็นโรคเบาหวานแต่จริงๆหมายถึงมันหวานมากเกินไปก็ต้องอย่ากินหวานถ้ากินหวานแล้วกายมันจะตั้งอยู่ไม่ได้คุณก็อย่ากินแต่ถ้าไม่หวานมันก็ไม่ชอบกินไงไม่ชอบกินหวานหวานก็กํำลังบูชอยู่นี่ไงถ้ากินเพื่อมัวเมาเนี่ไม่หวานไม่กินหวานหวานจะกินที่เป็นมัวเมาแล้ว เอาตามรสชาติเอาตามความเปลินความพอใจไม่ถูกแต่สิ่งที่ถูกนั้นคือควรรับประทานเพื่อที่จะให้มันเหมาะสมกับกายเช่นว่าถ้าคนเป็นโรคมะเร็งแล้วหรือคุณเป็นโรคเบาหวานแล้วหรือคุณเป็นโรคหัวใจแล้วคุณเป็นโรคคอเลสเตอรอลสูงหลอดเลือดตีบตันเรงต่างแล้วเนี่ยจะมารับประทานอาหารหมันเหมือนกับตอนที่เราไม่ได้เป็นอะไรนี่มันไม่ได้ไง จะมาบริโภคดูดบุหรี่เหมือนเดิมกินเหล้าเหมือนเดิมกินของมันๆกินของหวานหวานกินของมีรสจัดเค็มๆมันไม่ได้แล้วนั่นคือกายเรามันมันอยู่ไม่ได้นะถ้ามันจะเป็นอย่างนี้ต่อไปแต่จะกินตามรสชาติที่เราชอบมันจะเป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินมันจะเป็นไปเพื่อความพอใจอย่าเป็นอย่างนั้นอย่าทำอย่างนั้นเพราะกินเลยมันเพิ่ม น, นี้ก็เลยยังไมไ่ต้องพูดถึงเรื่องโรคไปใกล้เสพเป็ น, นประวังนะเอาก็่ว่าบางทีคนที่สุขภาพยังแข็งแรงดีอยู่แต่กินอาหารเพราะรสชาติเหมือนไม่ถูกแต่กินอาหารต้องถูกต้องตามาธาตุของตัวเราเองสิ่นว่าเออเราพอรู้ว่าถ้าเรากินเผ็ดมากร่างกายเราจะเป็นอย่างนี้กินของทอดกินของมันมันจะมีอาการต่างๆบางอย่างที่เราต้องคอยสังเกตดูเราก็รับประทานที่มันเหมาะสม กับความที่จะตั้งอยู่ได้ของกายนี้เพื่อความเป็นไปได้ของอัตภาพประเด็นคือรักษากายเนี่ยให้มันอย่าลำบากเกินไปประคับประคองให้กายนี้มีธาตุไฟที่พอเหมาะพอสมไม่ร้อนเกินไม่เย็นเกินจะถูกควกุมได้ด้วยอาหารถ้ารากินอาหารที่ไม่เหมาะสมจะทำให้ธาตุไม่สม่ำเสมอ ร้อนเกินไปบ้างเย็นเกินไปบ้างก็จะเป็นโครคไปเคยเสียบได้ยังรวมถึงเรื่องอากาศด้วยอาหารด้วยเป็นหลักอากาศด้วยเป็นรองเพื่อป้องกันเวทนาที่จะเกิดขึ้นในกายนี้อ๋อทำไมจะมีเวทนาเกิดขึ้นไม่ได้หรือก็ถ้ามีเวทนาเกิดขึ้นมากเนี่ยนะมันจะทําให้เกิดปัญญาเห็นตามความจริงได้น้อยถ้าเวทนาเยอะๆเนี่ คนที่เจ็บมากๆอิ่มมากๆปวดมากๆมีความรู้สึกสุขหรือทุกข์แบบสุดโต่งสองข้างเยอะๆเนี่การที่จะมากําหนดสติสัมปชัญญะเวลาที่มีสุขมากๆหรือทุกข์มากๆนี่มันยากทําไมถึงบอก็ยากก็เพราะว่าถ้าสุขมากๆก็เบลินไปตามความสุขนั้นเพราะแรงกําลังมันสูงถ้าทุกข์มากๆก็เบลินไปตามความทุกข์นั้นเพราะแรงกําลังมันสูง ที่จะดึงจิตเราไปให้เพลินไปในสิ่งนั้นความเพลินตรงข้ามกับอะไรต่อมาดูสติไงก็เลินไปตามเวทนาสุขบ้างทุกบ้างสติมันก็อ่อนกำลังหวบเลยสติอ่อนกำลังหวบเลยแล้วสมาธิมันจะมาจากไหนไม่เลยแล้วปัญญาล่ะโบไม่มีถ้ากินอิ่มเกินไปนะหนังตองตึงแล้วเป็นไง ตเช้าเองเพนนอนบ่ายพักผ่อนแล้วก็ค่ำนอนหลับเออก็จะมีแต่ความเมาอาหารกินอาหารที่มันเ็อร่อยเพื่อความอิม่มเพื่อความพอใจเราจะเมาในอาหารได้ไม่ใช่แค่กินเหล้าหรือดูดยาล้วมันเมาในระหว่า ง, งกินอาหารธรมธรมดาๆเราก็เมาได้เมาแล้วเป็นยังไงอาการมันจะง่วง กินอิ่มแล้วก็จะง่วงอันนั้นคือมาววาแล้วกินเยอะไปแล้วไอตะกี้ตะกินเลยเพราะฉะนั้นกินรับประทานก็ต้องอย่าให้เวทนาใหม่แบบเนี้ยมันเกิดขึ้นกินนี่ก็ต้องเพื่อที่จะระงับเวทนาเก่าด้วยเวทนาเก่าก็จะมีโรคภัยไข้เจ็บอันเดิมที่เรามีอยู่ยังรวมถึงอาการหิวยังรวมถึงความรู้สึกในธาตุเป็นไปในกายอันใดอันหนึ่ง ที่อาหารประเภทใดประเภทหนึ่งมันจะมาระ ง, งับได้เวทนาเก่ามีสามแบบคเลือกอาหารที่มันจะถูกธาตุเพื่อที่จะระ ง, งับเวทนาเก่าทั้งสามอย่างนี้ทั้งประเภทอาหารทั้งปริมาณด้วยพอเรารับประทานแล้วอะไรที่มันดีๆต่อธาตุเรานี่นะมากเกินไปมันก็ไม่ดีนะตัววังคนว่าจะกินผักดี กินผักเยอะลองไปดูกินผักเยอะๆเลยกินผลไม้ด้วยเอา้าก็ง่วงได้นะถ้ากินมากเกินไปผักผลไม้นี่เมาได้เหมือนกันอย่าไปคิดว่าจะกินแต่ข้าวแล้วก็จะมีแต่ง่วงคนกินข้าวพอดีพอ ด, พอดีก็ไม่ง่วงได้เหมือนกันนะรับประทานอาหารต้องทั้งปริมาณให้พอดีเทคนิคที่สอนไว้โดยท่านพระส า, ารีบุตรนึ่งก็คือว่า ก่อนที่จะอิ่มสักสี่ถึงห้าคำคุณจะรู้ได้ไงว่ามันจะอิ่มหรือจะยังไม่อิ่มละ่ะเพราะบางทีจะอิ่มแล้ก็อึกขึ้นมาเลยว่าอิ่มแล้วเงี้ยนะคือถ้าอิ่มแล้วนั่นคือให้หยุดเลยหยุดเมื่อรู้สึกอิ่มอย่าหยุดเมื่ออาหารหมดหรือหยุดเมื่อไอที่เราชอบมันหมดแล้วหรือกินต่อเพราะมีคนชวน ก็ดื่มบดีมก็ไม่หิวหรอกไม่ได้มีเวทนาเก่าตก็กินเพราะว่าเขาชวนะเพลินเพลินสนุกสนานไปอะเงินไม่ถูกแต่รับประทานเพื่อที่จะระงับเวทนาเก่าคือความหิวด้วยอาการบางอย่างในร่างกายด้วยเรื่องประเภทอาหารและเรื่องปริมาณจึงมีความสำคัญในที่นี้ก็ไม่ได้หมายความว่าฉันจะกินสิ่งที่ฉันชอบไม่ได้เลยหรือรับประทานไปเลยดูฟัง ว่าจริงๆแล้วไอ้สิ่งที่เราชอบหินเนี่ยนะมันจะเป็นที่ถูกทาก่าดกเราแต่ทางนี้ทางนั้นเรื่องถูกท่าดนี่ก็ต้องดูเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆด้วยประกอบกันประกอบกับการถูกทา่าดประกอบกับการที่ให้กายนี้ตั้งอยู่ได้ประกอบกับเรื่องของปริมาณการรับประทานอาหารนั้นระวังจะเป็นการภาวนา จะเป็นการพัฒนาจิตจะเป็นการที่เรานำกนเลสออกไปในตัวทดลองเลยบุฟังเวลาที่เราเดินผ่านไปตามฟูดคอร์ดศูนย์อาหารอย่างเงี้ยนะหรือไปที่มันขายสตรีทฟู้ดอย่างเงี้ยโอโ้โเวลาเขาขายร้านรวงกันเนี่ยมันจะบอกว่ามีทั้งกลิ่นหอมทั้งโปรโมชั่นราคาซื้อสองแถมหนึ่งทั้งประเภทอาหารของข้าวของหวาน มันดูนี่คือถ้าเราไม่ตั้งสติไว้เลยใช่ไหวะวะเลยเวลาไปเดินสเตตฟู้ดเนี่ยนะหูก็ถูกดึงไปตาก็ถูกดึงไปจมูกก็ถูกดึงไปด้กลิน่นเดี๋ยวคนนั้นก็ชวนกินอั น, นี่แดีวคนนี้ก็บแบง่งอันนั่นให้กินนี่แล้วมันจะเป็นการภาวนาได้ไหมไปเดินตลาดดูไปเดินฟู้ดคอร์ดดูเป็นการภาวนาได้นะเราหวัง ถ้าเรามีการพิจารณาปฏิสังขาโยนิโสสิ่งที่เราจะกินเนี่ยแหละไปทดลองดูเออกินนี่เป็นยังไงอืมในตอนจัดมาสวยๆเนี่ยมันก็ดีใช่ไหมะละ่ะเออลองรับประทานเข้าไปดูแต่เรารับประทานพิจารณาอย่างนี้เลยนะยังไม่ต้องกินนะแต่พิจารณานะพิจารณาว่าถ้าเรารับประทานเข้าไปแล้วเวลามันออกมาไหมผู้นี้เช้าเนี่ย มันจะเป็นสีเขียวหรือมันจะเป็นสีเหลืองหรือมันจะเป็นสีดำไอ้ที่ว่าขาวๆอยู่เนี่ยมันจะเป็นสีอะไรแล้วกลิ่นที่มันหอมๆอยู่เนี่ยมันจะเป็นกลิ่นแบบไหนเวลาที่มันออกมาจากถาวรเบื้องต่ํานี่เข้าไปทางวาวรเบื้องบนออกมาทางถาวรเบื้องต่ำจำระอะไรสิ่งที่อยู่ในท้องในไส้ออกมาแล้วมันเป็นยังไงเนี่ยนะไอ้ที่มันออกมาทางวารเบื้องต่ำา้องฟังบางทีสุนัขก็ไม่รับประทานด้วยซ้ำ โอ้เพราะมันมันเปลี่ยนสภาพไปแล้วแต่ก็โทษนะมันคือสิ่งที่เรารับประทานไปก่อนหน้านี้นหะนะมันเป็นของปฏิกูลพิจารณายิ่งได้อาหารเรปฏิกูลสัญญาพิจารณาเห็นอาหารโดยความเป็นของปฏิกูลเราอาหารที่แบบว่าเราชอบกินชอบกินเนี่ยเรารองปรุงแต่งใส่เครื่องปรุงอะไรที่เพิ่มเติมเข้าไปเช่นคุณชอบินส้กรอใช่ไหม ทั้งกุนเชียงทั้งแฮมเบเกอร์ทั้งแรงรต่างบางทีเขาโรยด้วยแทนที่จะเป็นผักชีงาเกล็ดน้ำตาลหรือสปริงเกลิลสีรุง้งตกแต่งด้วยน้ำจง้งน้ำจิม้มอะไรเงี้ยไม่ๆ ม, มลองโรยด้วยขนดูอก็แค่ของเรานี่แหละมาลองโรยลงไปดูจะเป็นไอครีมจะเป็นแนมเบเกอร์ใส่กล่องเลยพันด้วยขนดู กินได้ไหมโอ้โหทิ้งเลยมันไม่ไหวนะกพิจารณาเป็นของปฏิกรูน่มันจะทำให้จิตเรามีการภาวนาไปในตัวคิดก่อนไตรตรองก่อนโยนิโสก่อนโดยแยก้ายก่อนที่จะรับประทานในขณะที่คิดว่าจะไปกินอะไรด้วยน ะ, นะชอบกินต้มบะกุเตใช่ไห กระดูกหมูต้มกันกับน้ำซุปใส่สมุนไพรต่างๆแทนที่ว่าถ้าจะเป็นกระดูกหมูเนี่ยเอาเป็นกระดูกฟันใช่ไหมเอาฟันคนนี่แหละมาอุ้ยต้มฟันคนเอาฟันของคนเนี่ยเหรอฟันปลอมก็ได้ลองคิดดูเ่รสมมติเขาตักน้ำซุปมาเงี้ยแล้วมันจะมีฟันปลอมกองอยู่ข้างล่างเนี่ยตักขึ้นมาเนี่ยโอ้ฟันปลอมซี่ต่อหนึ่งซี่ต่สองฟันแด้ฟันเทียมอะไ โอ้มันจะกินลงอะทฝังไม่เลยไม่เลยหรือว่าถ้าถ้าจะกินก็ได้นะอถ้าจะรับประทานเพื่ออนุเคราะห์ปรมาชเนนะี่ยถ้ไม่มีอะไรกินจริงๆอ่ะมันเป็นของบัติกูนอย่างงี้ก็จะต้องรับประทานไหมละ่ะเออคืต้องฝืนรับประทานดูแหละเพราะมันไม่มีอะไรจะกินแล้วมันจะเหลือแต่อันี่กินนะเพื่อที่จะระงับเวทนาเก่าเพื่อที่จะให้กายนี้ตั้งอยู่ได้จําเป็นกินก็ต้องกินนะนั่นคือการภาวนานะ่ะคือไม่ใช่ว่าจะไม่กินหรือว่าจะกิน ไม่ใช่ว่าจะกินสิ่งที่ชอบหรือต้องกินสิ่งที่ไม่ชอบไม่ใช่ว่าจะไม่กินสิ่งที่ชอบหรือไม่กินสิ่งที่ไม่ชอบแต่คุณพิจารณาโดยแยบแคายไหมในการรับประทานนั้นๆทั้งประเภทอาหารทั้งจุดประสงค์ทั้งปริมาณจึงใช้คำว่าโภชเนมัตัญยุตาลักษณะการที่เราพิจารณาก่อนแล้วจึงจะบริโภคอาหารนี้ มันจึงเป็นข้อปฏิบัติที่ไม่มีทางผิดเลยตัง้งแตฟังไม่ว่าคุณจะกินอาหารที่อร่อยหรือคุณจะกินอาหารที่แพงหรือคุณจะกินอาหารที่ไม่อร่อยกินอาหารที่เป็นปฏิกูลหรือกินอาหารที่มันแบบว่าธรรมด า, รรมดาได้หมดอนะถ้าจิตเราตั้งแบบนี้ไม่มีทางผิดการรับประทานอาหารนั้นเป็นการภาวนาไปในตัวเีย่ยงแบบว่าไม่ต้องจอ รู้ลมหายใจหรือนึกพุโทโธอะไรเลยนะเอาแค่ว่าอยู่ต่อเฉพาะหน้านี่ไม่ให้จิตของเรามันไปเพื่อเห็นแก่ความตกแต่งความมัวเมาเพลิดเพลินแต่เพื่อให้อนุรักษ์ปรมาจันได้นะ่ะเพราะฉะนั้นลักษณะาการรับประทานเนี่ยมันก็จะออกมาในรูปที่ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปพอดีพอดีบอก in moderation มาจากคำว่มามัดตัญญาตา คือรูป้ประมาณประมาณแบบพอดีพอดีซึ่งความพอดีอย่าเอาหลักเกณฑ์ของตัวเราเองหลักเกณฑ์ของตัวเราเองบางทีพอดีชอบหวานหวานอย่างนี้ชอบเปรี้ยวๆอย่างนี้มันไม่ใช่ว่ามันจะพอดีตามความอยากหรือความชอบไม่ชอบของเราไงมันก็ต้องตามเกณฑ์ที่พระพุทธามอบให้ไว้คือเพื่อความตั้งอยู่ในแห่งกายไม่ใช่เพื่อประดับตกแต่ง เพื่อให้อุกุ์ประมชัยไม่ใช่เพื่อเพลิดเพลินสนุกสนานเกิดความมัวเมากำลังพลังทางกายแต่เพื่อให้ระงับเวทนาเก่าป้องกันเวทนาใหม่มีอุปมาอุปไม้ที่ท่านยกปเปรียบเทียบไว้นั่นคือเหมือนกับเวลาที่พ่อแม่และลูกเดินทางไกลกันดานเอาสเสบียงไปนิดเดียว ระหว่างเดินทางไกลไปสเสบียงหมดลงโอ้อาหารหมดลงสามพ่อแม่ลูกนี่ตายแน่นอนทำยังไงพอก็เลยจะสละชีวิตของตัวเองให้ลูกและเมียได้กินเดินข้ามผ่านทางกันดารเมียก็มาคิดว่าโอ้ถ้าภาระของสามีฉันจะต้องรับดูแลแทนให้ก็เลยคิดว่าจะสละชีวิตของตนเองเพื่อให้สามีและลูก เดินทางข้ามผ่านทางกันดานได้ตัวสามีก็มาคิดว่าอ้าวถ้าปรยาตายไปแล้วเด็กนี่มันจะอยู่ยังไงถ้ามันไม่มีแม่มันก็จะอยู่ยากแล้วแต่ถ้าเรามีกันสองคนก็อาจจะมีลูกใหม่ได้นะเอ า, อางี้แกันเราก็เอาเนื้อลูกนี่แหละกินโอ้ยพ่อแม่สินจะกินเนื้อลูกลงได้ไม่ได้จะฆ่าลูกกินจะทำไม่ลง ก็เลยเอาไปให้แม่ทําคือทําไม่ลงตัวหวังจะไหมจะฆ่าลูกตัวเองทําไม่ได้แต่ว่ามันถูกบีบคั้นด้วยเส้นทางอันกันด่านแต่ว่าก็ทําไม่ลงก็เลยส่งไปให้ปริยาทำโอ้ยภริยาอุ้มท้องมาตั้งเก้าเดือนสิบเดือนนะเราจะมาให้ข่าโอ้ยเตอก็ทําไม่ลงแต่ว่ามันถูกบีบคั้นน่ะมันเลยต้องทําให้ได้คิดเรื่องนี้ถ้าไม่งั้นไม่ได้คิดเลยนะ แต่ถูกบีบคั้นด้วยทางอันกันดานจะค่าทำไม่ลงก็เลยส่งไปให้สามีสามีจะค่าทำไม่ลงเราด้วยความรักลูกจึงส่งไปให้ภรรยาส่งกันไปส่งกันมาส่งกันมาส่งกันไปลูกตายความคิดที่ว่าจะฆ่าลูกไม่เคยมีจนกระทั่งมาถูกบีบคั้นด้วยทางอันกันดานลงมือก็ทำไม่ได้สุดท้ายลูกตายเอง ก็ทนความร้อนทนการเดินทางไม่ไหวทำยังไงคนตายแล้วโอ้ยจะทิ้งจะฝังก็ถูกบีบคั้นด้วยว่าโอยการเดินทางอันกันดานจะไม่กินด้วยความรักลูกก็ถูกบีบคั้นว่าต้องกินกินนี่ก็กินละกินเนื้อลูกตัวเองที่ตัวเองก็ไม่ได้ค่ะกินเนี่ยคือเพื่อที่จะแค่อาศัย ระงับเวทนาให้เดินข้ามผ่านทางกันดารเท่านั้นเองนะทุกฝังพิจารณาแบบนี้มันจะไม่ได้กินจนล้นคอหอยไม่ได้จะเลือกสิ่งที่มันแบบดีๆกินและไอ้ที่ยังไม่ดีเนี่ยทิ้งไปหรือว่าก็ไม่กินกินทีหลังไม่เลยเขาจะไม่ได้กินอย่างนั้นหรือว่าจะเก็บไว้กินวันนี้เท่านี้เสร็จแล้วพอออกจากทางกันดารได้ ก็จะเอาเนื้อที่เหลือไปปรุงด้วยรสเค็มรสเปรี้ยวใช้ต้มบ้างใช้ผัดบ้างใช้ทอดบ้างแล้วจะค่อยกินต่อนี่โอ้ยไม่เลยเหลือเท่าไหร่นี่เผาทิ้งเลยจะให้ใครมารู้ว่าฉันเคยกินเนื้อลูกเนี่ยวิ่งจะไม่ไปบอกคนอื่นเลยวันนี้ลูกตายแล้วฉันก็เลยต้องกินระหว่างทางเก็บเงียบเลยไม่เหมือนกับเวลาที่เราไปร้านอาหารไหนร อ, อร่อยๆใช่ไ บางทีเราไงมาบอกพ่อบอกแม่บอกเพื่อนวันนี้วันนี้ฉันไปร้านนี้มานะโอโหอร่อยมากเลยนี่เธอลองไปกินดูสิ น, า น, า น, า น, านะนะนะแต่มันเพื่อประดับตกแต่งมัวเมาเปลือยเพล่าสนุกสนานแล้วแต่มีที่ไหนว่าจะกินเนื้อลูกแล้วจะไปเที่ยวบอกคนอื่นว่าเธอลองฆ่าลูกเธอแล้วกินเนื้อดูสิมันอร่อยมากเลยนะฮะไม่มีหรือจะเก็บไว้เผื่อคนนั้นคนนี้นี่แพ็กเกจไง เจนบางคนเดินทางไปต่างจังหวัดต่างประเทศก็ซื้ออะไรมาฝากคนที่ทางบ้านกินใช่ไหมละ่ะโอ้นี่เป็นอาหารจากประเทศนั้นนะมากรองอร่อยอย่างดีเอาไปฝากเขาอืมมีที่ไหนเล่าแต่คุณกินเนื้อลูกของตัวเองแล้วก็คิดว่าถึงบ้านแล้วจะเอาไปฝากยายให้กินเนื้อหลานด้วยไม่มีจะกินพอประมาณจะกินแบบ นิดหน่อยพอระ ง, งับเวทนาและแน่นอนไม่ได้กินเพื่อความอร่อยถึงแม้มันจะเป็นประตูจำใจกินก็รับประทานเพียงเพื่อที่จะให้ระ ง, งับเวทนาเพียงพออยู่ได้ก็ น, นั้นเองพิจารณาแบบนี้นะตัวฝั่งเป็นการภาวนาไปในตัวขณะที่เรากินข้าวนี่แหละขณะที่รับประทานอาหารเนี่ยเคยเห็นไหมเวลาไปเห็นพระเจ้าประสงค์รับประทานอาหารจะอาหารเจ้าหรืออาหารเพลน ในจา์หรือในบาทก็ตามจะเงบเงียบไม่ได้คุยกันในหลงโฉงเฉงอะไรต่างเพราะนั่นท่านกำลังทำการพิจารณาปฏิสังขาโยนิโสปินทปาตังปฏิเสวามิพิจารณาโดยแยกไขในอาหารเหล่านั้นแล้วจึงบริปโภคตัวเราก็เหมือนกันทำได้ดุกฝังในชีวิตประจาวันนะอาจจะหลุดหลุดบ้าง แต่ก็อย่าให้มันหลุดจนร้อยเซเก็บไว้บ้างสักสิบยซหลุดบ้างสักแปดสบเจเออให้มันได้บ้างพัฒนาจิตมันสูงขึ้นที่ดูสมมติเรากินสามื้อนี่ทุกมือ้อทุกมื้อเป็นการภาวนาได้หมดนะหรือบางคนรับประทานมือม้อเดียวยิงมื้อเดียวยิงดีเพราะมันจะมีโอกาสที่เราหลุดได้น้อยถ้าหลายมื้อมันอาจจะมีโอกาสที่หลุดได้ แต่โอกาการ้าวนาก็มีมือเดียวเป็นภาระน้อยเพราะว่ารับประทานก็ตั้งเดียวอย่างประสงค์นี่พอรับประทานอาหารแล้วตอนเย็นเนี่ยมันไม่ได้ต้องจะมาคิดว่าอวันนี้ฉันจะหาอะไรกินอีกคือมันมันจบเลยภาระมันน้อยเลยอย่างรับพิธีทำงานเสร็จกลับมาแล้ววันนี้ฉันจะกินอะไรดีเนาะแต่ถ้ารักษาศีลแปดแล้วเนี่ยมันจบเลยางร ว, วังมันมีภาราน้อย เป็นความเป็นอยู่ที่มีโอเระเตุน้อยเป็นความเป็นอยู่ที่จะได้ประโยชน์มากมีรูรั่วมีช่องโหว่น้อยนอกจากการพิจารณาเรื่องเรื่องหนุ่งโฮมเรื่องอาหารยังเรื่องที่อยู่อาศัยด้วยคุณบัฟังเสนาสนะเวลาเราจะเข้าไปในบ้านอาคารหรือออกจากรถ ลงเรือขึ้นเครื่องบินขี่จักรยานพวกนี้จัดเป็นส่วนของเสนาสนะทั้งสิน้นเราเข้าไปในเสนาสนะนั้นนั้นเป็นการภาวนาได้ในตัวเลยอยู่ในบ้านเราเห็นเสนาสนะคือบ้านเหล่านี้ให้พิจารณาเห็นดักมีคือใช้เสนาสนะเพียงเพื่อบำบัดความหนาว เพียงเพื่อบำบัดความร้อนบำบัดสัมผัสจากเหลียบยุงลมแดดและสัตว์เลือ้อยคลานทั้งหลายบรรเทาอันตรายอันจะพึ่งมีจากดินฟ้าอากาศให้ใช้เป็นที่อยู่พอที่จะหลีกเล่นสำหรับการบำเพ็ญเพียรภาวนาอย่าใช้เป็นที่ที่จะเสพกามอย่าใช้เป็นที่ที่เป็นอากโกจร อย่าใช้เป็นที่ที่จะสร้างอากุศลแต่ใช้เสนาสนั้นเป็นที่ที่จะสร้างกุศลเป็นที่ที่จะให้หลีกเลนให้เกิดการภาวนาเราอยู่ในเสนาสนะแบบนี้ตูบว่าเป็นการภาวนาในที่นี้จึงไม่ได้หมายความว่ า, าเออมันจะต้องสมซ่อเก่าๆก็ไม่ได้หมายความอย่างนั้น หรือว่าจะมากว่าเราจะอยู่บ้านหลังโตๆไม่ได้ก็ไม่ได้อย่างนั้นดูสิในสมัยพุทธกาลเขาสร้างวัดเนี่โอ้ใหญ่โตอลังการยิ่งกว่าสมัยปัจจุบันเยอะแยะทกฟังแตว่าการเวลามันเปลี่ยนแปลงไปมันก็พังลงไปเนี่เขาสร้างเนี่บางทีใช้โลหะทองคํามาในการเป็นส่วนประกอบของโครงสร้างโดยทั่วไปยิ่งใหญ่อลังการสวยงามวังเวอ้อไปเลยล่ะ อแต่ทำไมพระพุทธชา้ไปใช้สายเสนาสนะเหล่านั้นได้ล่ะตอนนี้ท่มันบอกว่าโอ้โหวมากกว่ายิ่งวกว่าพระราชวังอีกอะ่ะกนอีไงใช้ในการทำกุศลใช้ในการที่จะพิจรารณาแล้วใช้ป้องกันอันตรายจากลมฟ้าอากาศรต่างแค่นี้ไม่ใช่ว่าจะเพลิดเพลินไปตามเสนาสนะในนั้นไม่ใช่ว่าจะใช้ สำหรับทาอูุสลมีการเสพกามมีการพูดคุยสิ่งที่มันไม่เป็นสาระไม่ใช่แต่ใช้เสนาสนานั้นในการทำความดีในการสร้างสิ่งดีดีเสียหายตรงไหนก็ไปซ่อมแซมคือไม่ใช่ว่าโอ้ฉันปล่อยว่าหมดแล้วตรงนั้นจะฝนจะรั่วใสตรงนี้จะแตกจะหักก็ไม่ดูแล แล้วก็ให้มันยุ่งเหยิงไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ใช่นะยังมีข้อพิจารณาสําหรับประสงค์สําหรับญาติโยมที่ปฏิบัติธรรมนี่เสนาสะนะต้องจัดให้เรียบร้อยจะมีความเป็นระเบียบเสนาสะนะวัดขอปริบัติในการดูแลเสนาสะนะก็มีฤดูหนาวทำยังไงฤดูร้อนทํำยังไงจะเก็บจะกวาดยกตรงไหนจับตรงไหนท่านจะอธิบายเอาไว้หมด เราทำความสะอาดเสนาสะนะหูพื้นกวาดอยากย่ยพวกนี้เป็นการภาวนาได้หมดได้หมดเนี่ยทุกวันการภาวนามันจึงเกิดขึ้นในขณะที่เราก็อยู่ในเสนาสะนะได้อยู่บ้านให้เป็นการภาวนาอยู่บ้านรักษาดูแลให้ดีบางคนนี่อยู่บ้านแล้วทำอะไรดูทีวีนั่งกระดิกเท้าบ้านบางที่ก็สกปร ก, ร, กรุงรัง อ่านั่นน น, นั่นกี่เกียรแล้วขี่เกียรนั้นเป็นกุศลหรืออกุศลล่ะโอ้มันก็เป็นโมหะแล้วเอาแต่ อ, อยู่บ้านและขี่เกียรนี่การอยู่นั้นไม่เป็นปฏิสังขาอยู่นิโสเสนาสนังปฏิเสวาไหมแต่อยู่แล้วมันดันเป็นอะโยนิโสไม่ได้เป็นการโดยแยบขายเพราะเราทําอะไรโดยไม่แยบขายนะดูฟังนะมันได้สิ่งที่ไม่ถูกนะ อุบมาประใหม่ที่ท่านยกไว้ในภูมิชาสูตรนี่คือเห็นคนเขาถือถังเข้าไปในโรงที่มันมีวัวอาศัยอยู่แล้วก็เขากได้นมออกมาไอ้นี่ก็อยากได้นมบ้างก็ถือถังเข้าไปบ้างแต่ว่าจะไปจับตรงเขาโคของวัวตัวเมียที่มันมีลูกอ่อนเคาะเคะอยู่ตรงเขานี่คิดว่ามันจะไปเปิดเป็นก๊อกแล้วให้น้ำนํำนมมันไหลออกมาไม่ได้เลย นั่คือทำโดยไม่แยบคายเราอยู่ในบ้านรอบประทานอาหารเรานุ่งห่มเสื้อผ้านี่ให้แยบคายให้พิจารณาโดยการที่ว่าจะเป็นการภาวนาไปได้ในตัวการปฏิบัติของเราทั้งหมดเนี่ยทั้งวันเลยนะมันจะเป็นการภาวนาตลอดเพราะมันก็จะยุ่งอยู่กับ3ามอย่างนี่ปจัจจัยสีนี่แน่นอนมีหมดบางคนอาจจะไม่ป่วยไม่ได้กินยาใช่ไหละ่ะ บานอาจะปย่ยก็กินยาอยู่ในเสนาสนะเป็นการภาวนาได้หรือว่าเป็นปฏิสังขาโยนิโสเสนาสนังปฏิเสวามิอย่างเรื่องยาที่จะเป็นปัจจัยบริการสำหรับคนที่เจ็บไข้ก็ต้องพิจารณาโดยแยบขายคือยาในก็โวนหนึ่งจะมีบริการอื่นๆอีกเช่นเตียงเช่นไม้เท้า เช่นฟูกหรืออะไรที่มันจะสำหรับในการที่จะให้คนป่วยไม่ว่าด้วยรูปแบบใดรูปแบบหนึง่งได้ใช้งานหลักการคือให้ระงับบำบัดทุ ก, กเวทนาที่เกิดขึ้นจากอ า, าพาธต่างๆยกตัวอย่างสิ่งที่ไม่ใช่ก่อนอย่างกรณีของประสงค์นี่น้ำอ้อยนี่คือน้ำที่คั้นจากต้นอ้อยนี่มันหวานๆเนี่ยนะ ดูว่าเป็นยาเนะ่ยทุกฝังแต่การที่จะรับประทานน้ำอ้อยที่ว่าเป็นยาปัญญาได้นี่นะมันต้องมีเหตุที่ว่าคุณเจ็บไข้ได้ป่วย อ, อันใดอันหนึ่งนะคือถ้าคุณไม่ได้จะมีเวทนาอะไรที่ต้องจะระ ง, งับได้ด้วยน้ำอ้อยนี่แล้วกินเข้าไปเพราะเออมันหวานอร่อยดีกินกาแฟเพราะว่ามันออรสชาติดีกลิ่นหอมดีกินอะไรที่เราบอกว่าหลังเที่ยงแล้วจะเป็นยาเป็นยาเนี่ย แต่ว่าไม่ได้มีเวทนาอะไรที่มันจะมาระงรับได้นี่เป็นอาบาสนะสําหรับประสงค์นี่นะต้องพิจารณาก่อนอย่างเช่นจะกินน้ำอ้อยกินทำไมจะรับประทานจะฉันเข้าไปเนี่ยโอ้มันระงรับความร้อนตอนนี้อากาศมันร้อนเออคือรับประทานเข้าไปเนี่ยเพื่อจะคลายความกระหายความหิวแล้จึงรับประทานอ่ะอันนี้ถือว่าได้คือเป็นการพิจารณาโดยหยาบกายการรับประทานน้ําอ้อยนั้น ถือว่าเป็นการภาวนามาในตัวพิจารณาแล้วจึงบริโภคจริงๆแล้วนะธรรมะบองเวลาเราจะรับประทานอะไรกินผ่านล่วงลำคอเรไปเนี่ยให้รับประทานปัญญาคือให้พิจารณาเรื่องเวทนาเนี่เป็นหลักในการที่จะระงับเวทนาเก่าในการที่จะป้องกันเวทนาใหม่ในการที่จะไม่ให้เกิดความเพลินความมัวเมาไม่ได้กินเพื่ออริตอร่ อ, อย ไม่ได้กินตามความพอใจขวนขวายแสวาหางหาโดยไม่ถูกต้องแต่รับประทานเพียงเพื่อระงับเวทนาอาสําหรับคนที่ชอบกินกาแฟามางทีก็รับประทานกาแฟาเพื่อที่จะมันจะระงพเบทนาแบบนี้พอได้นะถือว่าเป็นยาได้ซึ่งถ้าการรับประทานเป็นยาเนี่ยมันก็จะไม่ใช่ว่ากินกันเยอะแยะมากมายมละมันก็พอประมาณการพิจารณาโดยแยบขายตัวฟัง ในชีวิตประจำวันของเราปฏิสังขาโยนิโสกิลานะปัจญาเพสัชปริขารังปฏิเสวามิในปัจจัยสี่ทั้งหมดตั้งแต่เสื้อผ้าเรื่องนุงโฮมมาอาหารที่อยู่อาศัยและยกยาแก้ไขที่เราต้องเจอทุกวันทุกวันทุกวันจริงๆนะ วันหนึ่งนี่เจอวันละหลายๆราบในทุกวันที่เราเจอทุกวันที่เราเจอเนี่ตลอด24ชั่วโมงนี่ให้เป็นการเบาหนาได้เลยตัง้งไว้นี่เป็นการที่ถ้าเมื่อเราแยกคายพิจารณาอย่า ง, งถูกต้องแล้วกิเลสเราจะลดลงจะเป็นการชำระ ก, กิเลสกำจัดกิเลสได้ด้วยการบริโภคปัจใจสีแบบนี้เราฝึกซ้อมตอนนี้ เพื่อให้จิตใจของเรานั้นพร้อมในการที่จะทำให้เกิดการภาวนาของเราไปในตลอดทั้งวันให้เรารักษาจิตของเราที่เป็นสมาธิตั้งสติเอาไว้อย่างนี้ให้ดีในช่วงของจิตตวิเวกในรายการธรรมาระเบรนซึ่งเป็นการฝึกให้ตัมบูฟังได้ทําสมาธิภาวนากันไปพร้อมๆกันก็จะมาพบกับตัมูฟังเป็นประจำในทุกวันอังคาร ตั้งแต่ลาที่หตงโกโมงเชา้าทางสถานีวิทยุกระชายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังย้อนหลังได้ในระบบพอดแคสต์ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มใน Apple Podcasts p o t i f y หรือกู o g l e พอดแคสต์ก็ได้ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือรับฟังได้ทางเว็บไซต์ของมูลนิธิปัญญาภาวนาที่ปัญญา .org panya.org รายการนี้มีข้าพเจ้าพระมาหาไพบูล์รับพี่ปุนโนเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ทตุรินพร